สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติครับแต่ว่าเรื่องที่จะนํามาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอชีวโกโอมารพัทอุบาสกที่เราข้ามไว้ยังไม่จบนะครับเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่ามานี่ก็มาถึงตอนที่หมอชีวโกโกมารพัทได้ประกอบยาเพื่อรักษา ภรยาเศรษฐีแต่ว่าตอนที่ท่านได้ให้ภรยาเศรษฐีหยอดเนยใสยผสมยาเข้าไปในจมูกเนี่ยก็ปรากฏว่าเนยใสยไหลออกมาทางปากท่านก็บ้วนลงในกระโถนแล้วเรียกนางทาสีมาให้เอาสำรีซับเนยใสยเอาไว้ การกระทำตรงนี้ล่ะครับทำให้หมอชีวโกโกมารพัฒมีความคิดในทางที่เห็นความเป็นไปแล้วนึกว่าเอ๊ะนับเป็นอาการหน่าแปลกประหลาดแม่บ้านคนนี้ช่างโก่ปลกเหลือเกินเนยใสยนี้เป็นของที่จะต้องทิ้งกลับใช้ให้ทาสีเอาสมรีซับไว้ส่วนยาของเรามีราคาแพงมากกว่าปล่อยให้เสียไปแม่บ้านคนนี้จะให ขันข้าวและข้ายาอะไรแกเราบ้างโนาะครั้งนั้นภรยาเศรษฐีสังเกตดูเห็นกรียาอาการนั้นแปลกของหมอชีวกโกมารพัทก็จึงถามว่าคุณหมอท่านมีความแปลกใจอะไรหรือหมอชีวกโกมารพัทก็กล่าวตอบไปตามความคิดของตนว่าเวลานี้กระผมกำลังคิดว่านับเป็นการแปลกประหลาดจริงแม่บ้านคนนี้ช่างศกกปรกเหลือเกิน แม่เนยใสยน้นีเป็นของจะต้องทิ้งกลับใช้ให้ทาสีเอาสมบีซับไว้ส่วนยาของเรามีราคาแม่แพงมากกว่าปล่อยให้เสียไปแม่บ้านคนนี้จะให้ขวัญข้าวค่ายาอะไรแกเราวังนอภรยาเศรษฐีจึงกล่าวชี้แจงเหตุผลให้หมอชีวกโกมารพัฒได้เข้าใจว่าคุณหมอพวกริฉันเป็นแม่บ้าน จำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งที่ควรสงวนไว้สิ่งอะไรที่ควรจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้อย่างอื่นได้เนี่ยก็จะต้องรู้จักประมาณในการเก็บหอมรอมริบตนนั้นเหนื่อยใส่นี้ยังพอเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้เช่นใช้เป็นยาสำหรับทาเท้าพวกทาสีหรือพวกทาดกรรมกรก็ได้ ใช้เป็นน้ำมันเติมตะเกียงก็ได้คุณหมออย่าคิดวิตกกังวลไปเลยขวนข้าวและค่ายาของคุณหมอจะไม่ลดน้อยลงไปหรอกจ้ะครั้งนั้นหมอชีวกกมารพัฒได้กำจัดโรคโปวดศิษะของภรรยาเศรษฐีที่ได้เป็นมาเจ็ดปีแล้วให้หายลงได้โดยวิธี นัดยาเพียงขนาดเดียวและคราวเดียวเท่านั้นเมื่อพระยาเสถียรหายเป็นโรคโปวดศีรษะแล้วได้ให้รางวัลแก่หมอชีวโกโมารพัฒเป็นเงิน4ี่พกะหาปณะนะครับฝ่ายบุตรของเสถียรเมื่อทราบว่าคุณแม่หายจากโรคแล้วก็พอใจในหมอชีวโกโมารพัฒว่าเป็นหมอที่มีความเก่งกล้าสามารถ ได้ให้รางวัลเพิ่มอีก 4,000 คาหาปณะหนญะิงสะใภ้ก็มีจิตใจตรงกับสามีเห็นว่าแม่ผัวหายจากโรคแล้วก็ได้ให้เงินรางวัลแก่หมอชีวกคมรพัดเพิ่มอีก 4,000 คาหาปณะนะท่านเศรษฐีเมื่อทราบว่านภรยาของตนหายปวดศีรษะแล้วได้ให้เงินรางวัลเพิ่มอีก 4ี่พันกหาปณะนะและนอกจากนั้นยังได้ให้ทาหนึ่งคนทาสีหนึ่งคนรถมาอีกหนึ่งคันแกหมอชีวกโกมารพัฒ์ก็เป็นอันว่าหมอชีวกโกมารพัฒ์ได้ค่ารักษาครั้งนี้เกินค่าเพียงยาขนาดเดียวเท่านั้นแต่ได้เงินทองมาเป็นกอบเป็นกำรร ม, มากมายก่ายกองโดยเงินที่ได้รวมทั้งหมด 1,6,000 กพนหาปณะแถมยังได้ทาดเอาไปรับใช้ทาสีและรถม้าเขาก็จึงได้ขึ้นรถม้าอำลาออกจากบ้านของท่านเศรษฐีและเดินทางออกจากเมืองสาเกตมุ่งหน้าตรงไปยังพระนครราชครึอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาครั้นเขาเดินทางมาถึงพระนครราชครึ่แล้ว จึงได้เข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยและกราบทูลว่าใต้ฝ่าพระบาทเงินหนึ่งกพกะหาปณะนี้พร้อมกับทาตทาสีและรถเทียมม้าหนึ่งคันเป็นทรัพย์สินที่กล่าวกระหม่อมได้มาจากการกระทำงานครั้งแรกขอใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาโปรดรับค่าเลี้ยงดูกล่าวกระหม่อมเถิดพยาค่ะ เจ้าชายอาภัยรับสั่งว่าอย่าเลยชีวกทัพเหล่านี้จงเป็นของลูกคนเดียวและลูกจงสร้างบ้านอยู่ในวังของเราเถิดหมอชีวกโกโมารพัตรับพระราชบัญชาจากเจ้าภายชายอาภัยพระบิดาเลี้ยงแล้ว โดยกล่าวว่าเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพยาค่ะแล้วเขาก็ได้สร้างบ้านอยู่ในวังของเจ้าชายอภัยก็คือสร้างที่อยู่อาศัยแยกออกไปแล้วก็อยู่ในบริเวณเขตพระราชวังของเจ้าชายอภัยพระบิดาเรียกนั่นแหละหมอชีวกโกมารพัฒน์ทำหน้าที่ถวายการรักษาพยาบาลพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ เหตุที่หมอชีวกโกมารพัฒ์จะได้รับหน้าที่กระทำการรักษาพยาบาลพระเจ้าพิมพิสารนี้ในเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมราชันแห่งมคตรัฐทรงพระประชวนโรคฤทธิดวงอกที่พระทวานหนักพระภูษาเปื้อนพระโลหิตจนแลเห็นได้ พวกพระสนมเห็นแล้วพากันเยออยิ่ยันว่าบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทรงมีระดูตอมพระโลหิตบังเกิดกับพระองค์แล้วไม่นานเท่าไรนักพระองค์จะประสูตรนี่ก็เป็นคำเยออยิยันที่พระสนมเห็นพระโลหิตของพระเจ้ามีมิสันที่เปื่อนพานุ่งของพระองค์นะครับ พระเจ้ามีพิสานทรงเกอ้อเขินด้วยคาเยยยันของพวกพระสนมเหล่านั้นจึงตรัสเล่าให้เจ้าชายอภัยทรงสดับและพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าชายอภัยหาแพทย์มารักษาพระองค์ท่านเจ้าชายอภัยกราบบังคมทูลว่าขอเดชะชีวกเป็นนายแพทย์ประจำข้าพระพุทธเจ้า เป็นนายแพทย์หนุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเธอจะรักษาพระราชบิดาได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าพออภัยถ้าเช่นนั้นลูกจงสั่งหมอชีวกให้มารักษาพ่อเถิดฝ่ายเจ้าชายอภัยก็เสด็จกลับมารับสั่งกับหมอชีวกโกมารพัฒว่าดูก่อนชีวกลูกจงไปรักษา โรคริีดวงกของพระเจ้าอยู่หัวเถิดนะหมอชีวกโกมรารพัฒกราบทูลรับสนองพระบัญชาว่าพะยะค่ะแล้วเขาใช้เล็บตักยาเดินไปยังราชสำนักกันเขาไปถึงแล้วจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารมหาราชและกราบองคโคมทูลว่าขอเดชะฟาลอองทุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าจะขอพระบรมราชาอนุญาตตรวจโรคของใต้ฝ่าละองุรีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะและเมื่อเขาได้รับพระราชาอนุญาตแล้วจึงรักษาโรคริดิดว ง, งอกที่พระทวารหนักของพระเจ้าพิมพ์พิสารด้วยอาการทายาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโรคฤิดิดวงทวารหนักก็หาย เป็นปกติเรียกว่าทรงหายไปพระประชวโรโรคโรคหิดที่ออกจากหัวริศดวงที่มาเปื้อนเปิดผ้าทรงของพระเจ้าพิมพิสารนั้นให้หายได้นี่ก็เป็นความสามารถที่หมอชีวกโกมารพัฒแสดงถึงคุณวุฒิที่ท่านมีอยู่ว่าเป็นผู้มีความสามารถเ ก, งก่งกาจจริงครันพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ ทรงหายพระประชวรแล้วจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สตรีห้ารนางผู้ตกแต่งเครื่องประดับทั้งปวงเปลืองเครื่องประดับออกและกระทําเป็นห่อนํามากองไว้และมีพระราชดำรัสกับหมอชีวกโกมารพัฒว่านี่แน่ชีวกเครื่องประดับทั้งปวงของสตรีห้านางเหล่านี้ เราให้แก่เธอหมอชีวโกโกมารพัฒกราบบังถูมทูลว่าอย่าเลยพระพุทธเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าละองธลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดระลึกว่าเป็นหน้าทีของข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสาบรบรมกษัตริย์ทรงพระวรรคว่าถ้าชีวโกโกมารพัฒรับเอาเครื่องประดับทั้งปวงไปเราจะตั้งเขาวไว้ในตําแหน่งพอประมาณ คือไม่ยกย่องให้เป็นหมอหลวงหรือไม่ยกย่องให้สูงส่งอะไรถ้าเขาไม่รับเครื่องประดับทั้งปวงเหล่านั้นเราจะตั้งเขาให้เป็นคนสนิทอยู่ภายในวังท่านหมอชีวก โ, โกมารพัฒน์กราบบังคมทูลปฏิเสธโดยไม่ยอมรับเครื่องประดับทั้งปวงก็ตรงกับพระราชฤทัยของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์จริงทรงรักใคร่ แล้วได้พระราชทานเรือนพร้อมทั้งเครื่องใช้สอยเครื่องประดับทั้งปวงและสวนอัมพวันก็คือสวนหมงมงบ้านสวยที่มีสวยหนึ่งแสนประจําปีและสาการะใหญ่แก่หมอชีวโกโกมารพัฒ์และได้มีพระบรมราชองค์การว่าถ้าอย่างนั้นชีวกจงปฏิบัติบํารุงเรา กับพวกฝ่ายในและพระพิสูุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเถิดหมอชีวโกโมารพัฒน์กราบบังคมทูลรับสนองพระบรมราชองค์การว่าพระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่กล้าวใส่กระห ม, ม่อมนี่ก็เป็นความ เดรดเด่นของหมอชีวโกโมารพัตที่ได้กระทําการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนักของพระเจ้าพิมพิสารให้หายได้เด็ดขาดโดยใช้ยาใส่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหมอชีวโกโมารพัฒได้กระทําหน้าที่รักษาชาวพระครราชครุจจนเป็นที่เรื่องลือกัน จารกระจายไปว่าหมอชิวเป็นหมอที่เก่งและในสมัยนั้นเศรษฐีชาวพระนครราชคฤกป่วยเป็นโรคปวดศีรษะมานานถึงเจ็ดปีเมื่อป่วยอยู่เป็นเวลานานอย่างนี้ก็มีนายแพทย์ที่สาปามอกใหญ่ๆหลายคนมารักษาเพราะฐานะของเศรษฐีนี่มีเงินที่จะเป็นขวัญข้าวค่ายายให้แก่คนรักษาได้อย่าง เพียงพอนะว่างัน้นก็จึงสามารถที่จะเชิญหมอที่เป็นอาจารย์ที่สาปามโมกมาให้รักษาเลยหมอที่มารักษาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทําการรักษาโรคนั้นให้หายได้ก็มีแต่แม้ยขนเอาเงินขวัญข้าวค่ายาไปเป็นจํานวนมากแต่โรคไม่หายต่อมาเศรษฐีได้ถูกพวกนายแพทย์บอกคืนไม่ยอมรักษา โรคให้คือไม่ยอมทาหน้าที่หมอแล้วก็คงจะสุดฝีมือเขาว่าที่เขารักษามานั้นก็รักษาด้วยความจริงใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้คือไม่ใช่ว่าเป็นหมอมาอาเลี้ยงไข้เอาไว้เพื่อจะเอากวนข้าวพายาไม่ใช่แต่นั้นแต่ว่าเขาทำจนสุดฝีมือแล้วแต่ไม่สามารถที่จะรักษาโรคให้ายได้ต่อมาเศรษฐี ถูกพวกนายแพทย์เนี่ยบอกบอกคืนคือไม่ยอมรักษาแล้วคือรักษาจนสุดที่มือแล้วก็ไม่หายเนี่ยไม่ว่าหมอคนใดท่านนั้นก็ต้องปฏิเสธแหละครับนายแพทย์บางพวกได้พูดทำนายคาดคะเนไว้ว่าท่านเศรษฐีจะถึงอนิจจกรรมคือความตายในวันที่5้านายแพทย์บางพวกได้พูดคาดการล่วงหน้าไว้ว่า ท่านีจะถึงอนนีจกรรมในวันที่7อันนี้ก็เป็นคำที่พวกในแพทย์ใหญ่ๆที่มารักษาแล้วเนี่ยเขาก็พิสูจน์ดูโรคแล้วพวกเขาไม่สามารถจะรักษาได้แล้วก็ทำนายไว้ซะด้วยนะก็ทำให้คนไข้เนี่ยมักจะตก อ, อกตกใจโดยทั่วๆไปอย่างที่คนเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงนอนอยู่โรงพยาบาลคุณหมอในโรงพยาบาลก็บอกให้ กลับบ้านเธอพอรักษาไม่ได้แล้วก็คิดว่าให้กลับไปตายที่บ้านนะทุกคนก็จะต้องเกิดความสดใจยงไปว่านี่เราจะตายแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะได้ระลึกนึกถึงเหมือนกันว่าความตายนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจ็บป่วยแม้ไม่เจ็บป่วยก็อาจจะตายได้ได้ไปทราบเรื่องมาเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเป็นเด็กหนุ่ม กำลังเรียนหนังสืออยู่นี่นะครับแล้วเขาเป็นคนเรียนเก่งเพื่อนๆ น, นี่ก็เวลาใกล้สอบก็จะขอร้องให้เขาไปช่วยติวให้ช่วยบอกอะไรว่าที่ควรจะรู้ควรจะเตรียมเนี่ยเขาก็าไปที่บ้านเพื่อนแต่ว่าได้ทำการแนะนำอยู่เวลามันนานมากก็ประมาณสักตีสองคือดึกมากแล้วก็ลงนอน เดบรากวว่าพอเข้า น, นอนแล้วก็หลับไปเลยนะครับไม่ตื่นอย่างที่สมัยใหม่ในภาคอีสานเราเรียกกันว่าไหลาตายนะครับเนี่อหัวใจอาจจะล้มเหลวหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเขาก็ตายลงไปนั้นความตายนั้นเป็นเรื่องที่ใครพอได้ทราบแล้วก็จะรู้สึกสลดว่าเราจะต้องตายต้องจากโลกนี้แล้วนะแต่ความจริงเรื่องนี้ควรเตรียมไว้ก่อนดีกว่านะว่า เกิดเท่าไรตายเท่านั้นเหมือนกันหมดการเป็นกฎบังคับเราให้ต้องไปในทางนั้นแน่นอนครับเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสเสบียงทุนบุญกุศลของเราเอาไว้เพื่อที่จะไปสู่โลกหน้าดีกว่านะครับเพราะทุกคนต้องตายทางนั้นแหละครับจะเจ็บจะป่วยหรือไม่เจ็บไม่ป่วยกว็าตายทางนั้น มีคำหนึ่งที่เคยกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้จำ ง, ง่ายๆว่าแม้คนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยแต่ชาราก็พาไปตายนะครับต้องตายแน่เมื่อเรานึกถึงอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมสเบียงที่จะเป็นทุนไปใช้ในโลกหน้านะครับสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่า แม้แต่เงินบาทที่เขาใส่ในปากเราเรายังเอาไปไม่ได้เล ย, ยมีคำกลอนอยู่ว่าเงินบาทญาติใส่ในปากศพสับเป ร, ะเรอะพบนำไปใช้สบายหรือศพไม่มีทรัพย์สักนิด จ, จะติดมือผลก็คือไปตัวเปล่าเหมือนข่าวมาเรียกว่ามาเปล่าไปเปล่านะครับฉะนั้นสิ่งที่ไม่เปล่าก็คือบุญกุศลนั่นแหละ เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องตระเตรียมเป็นสเสบียงทางเอาไว้ที่จะต้องเดินทางไปสู่โลกหน้าอย่างแน่นอนครับฉะนั้นเรื่องคนที่เจ็บคไายได้ป่วยพอหมอบอกให้ทราบว่าไม่สามารถจะรักษาได้คนที่อยู่โรงพยาบาลหมอก็จะให้กลับบ้านเหมือนก็ให้มาตายที่บ้านอะไรทํานองเนี้ยทุกคนก็เศร้าสลดเสียใจว่าเราจะต้องตายแล้วจะต้องจากโลกนี้แล้ว จะต้องจากญาติพีนท้องทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่นี่เราก็จะต้องจากไปทั้งหมดนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดว่าทุกชีวิตเจ็บหรือไม่เจ็บป่วยหรือไม่ป่วยตายทางนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกชั้นวัยว่าเท่านั้นตายเท่านี้ตายคราวนี้เมื่อท่านเศรษฐีเนี่ยถูกแพทย์ที่มารักษาบอก คืนไม่รักษาแล้วเขาไม่รักษาไม่สามารถจะรักษาหายครั้งนั้นกุดุมพีชาวพระนครราชกุลได้มีความนึกห่วงใหญ่ว่าท่านสถีผู้นี้มีอุปการะมากแก่พระเจ้าอยู่หัวและชาวนิคมแต่ท่านถูกพวกนายแพทย์บอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาเสียแล้วจึงพากันนึกถึงหมอชีวกโกมารพัฒน์ว่าหมอชีวกโกมารพัฒ เป็นนายแพทย์หลวงที่หนุ่มและทรงคุณวุฒิพวกเราควรที่จะกราบบังคมทูลขอหมอชีวโกโกมารพัฒต่อพระเจ้าอยู่หัวก็คือพระเจ้าพิมิสารเพื่อจะให้มารักษาท่านสิทษีพอคิดได้ดัง น, นี้พวกกุ่มพีจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมีสารบรมมกษัตริย์กราบบังคมทูลว่าขอเดชะฟาลองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระม่มท่านเศรษฐีนี้มีอุปการะมากแก่ใต้ฝ่าลองทุลีพระบาทและชาวนิคมแต่บัดนี้ได้ถูกนายแพทย์บอกคืนไม่ยอมรักษาให้ทั้งอย่างด้พูดทำนายไว้ว่าท่านเศรษฐีจะถึงอนจกรรมในวันที่หหรือในวันที่เจดนี้ขอประทานพระบรมราชานุญาต ขอใต้ฝ่าละองธรีพระบาททรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการรับสั่งหมอชีวกโกมารพัฒเพื่อให้ไปรักษาท่านเศรษฐีเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ทรงสดับที่คําที่พวกกลุมพีมากราบบังคมทูลขอหมอชีวกอย่างนั้นพระองค์จึงได้มีพระบรมราชโองการ ตรัสสั่งให้หมอชีวกโกมารพัฒนเนี่ยไปรักษาโดยตรัสว่าดูก่อนชีวกเธอจงไปรักษาท่านเศรษฐีนั้นหมอชีวกโกมารพัฒกระเบองโคลทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วจึงไปหาเศรษฐีที่บ้านก็ไปพินิจพิเคราะห์สังเกตดูอาการที่ผิดแปลกของท่านเศรษฐีแล้ว ก็ได้ถามท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีครับถ้ากระผมจะรักษาท่านให้หายโรคเนี่ยท่านจะให้รางวัลอะไรแก่กระผมขอรับเศรษฐีซึ่งเป็นผู้ป่วยนึกถึงว่าอีกห้าวันหรือเจ็ดวันจะตายเนี่ยก็หมดอะไรแต่ยอยากในทรัพย์สมบัติเลยหครับจึงได้ตอบกับหมอชีวกกมารพัฒไปว่าดู ก, ก่อนท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะให้ทรัพย์สมบัติ ทั้งโป่งแก่ท่านและตัวข้าพเจ้าจะขอยอมเป็นทาสรับใช้ท่านนี่เป็นการบอกอย่างที่มอบใา้หมดเลยแม้แต่ตัวเองน่ทับสมั ส, ส, สมบัติเป็นของภายนอกก็ไม่หวงแม้ตัวเองก็ยอมที่จะกระทำหน้าที่รับใช้เพราะว่าการที่จะรอดชีวิตมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหมอทำนายไว้แล้วว่าห้าวันหรือจิตวันเท่านั้น หมอชีวกโกมารพัฒถามต่อไปว่าท่านเคราบดีท่านอาจจะนอนตะแคงข้างเดียวตลอดเจเดือนได้หรือไม่ขอรับเศรษฐีรีบตอบรับทันทีว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าอาจนอนตะแคงข้างเดียวตลอดเจเดือนได้ขอรับหมอชีวกโกมารพัฒก็ถามต่อไปอีกว่าท่านเคราบดีท่านอาจจะนอนตะแคงข้างที่สองตลอดเจเดือนได้ หมารับเสถีก็ตอบรับว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าอาจนอนตะแคงข้างที่สองตลอด7เดือนได้ครับหมอชีวโกโกมาราพัฒก็ถามต่อไปอีกว่าท่านคราบโมดีท่านสามารถจะนอนหงายตลอดเจเดือนได้ไหมขอรับเสถีตอบรับทันทีเหมือนกันว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าสามารถนอนหงายตลอดเจเดือนได้ครับ หมอชีวโกโมารพัฒจึงให้ท่านสถีนอนบนเตียงและมัดติดไว้กับเตียงจึงทำการผ่าตัดหนังศีรษะแล้วถลกหนังศีรษะออกพอที่จะเปิดรอยต่อกระโหลกศีรษะได้สะดวกแล้วจึงได้เปิดรอยประสานกะโหลกศีรษะนำเอาสัตว์ที่มีชีวิตออกมาสองตัว แล้วแสดงให้ประชาชนดูว่าท่านทั้งหลายจงดูสัตว์มีชีวิตสองตัวนี้มีตัวเล็กหนึ่งตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวพวกนายแพทย์ที่ทำนายว่าท่านเศรษฐีจะถึงอนจกรรมในวันที่ห้าเพราะท่านเหล่านั้นได้เห็นสัตว์ตัวใหญ่นี้โดยมันจะเจาะกัดกินมันสมองของท่านเศรษฐีหมดภายในห้าวัน เมื่อมันกินมันสมองศีรษะหมดแล้วท่านเศรษฐีก็ถึงอนิจจกรรมคือตายส่วนสัตว์ตัวใหญ่ที่ว่าพวกนายแพทย์เหล่านั้นเห็นถูกต้องแล้วที่ว่าจะตายภายใน7วันนั่นอีกตัวหนึ่งคือเม่อความว่าหวันเนี่ยเป็นสัตว์ตัวใหญ่ส่วนที่นายแพทย์กล่าวคาด การไว้ว่าท่านเศรษฐีจะถึงอนิจจกรรมในวันที่7ก็เพราะท่านเหล่านั้นได้เห็นสัตว์ตัวเล็กโดยมันจะเจาะกัดกินมันสมองของท่านเศรษฐีหมดภายใน7วันเมื่อมันกัดกินมันสมองศีรษะหมดแล้วท่านเศรษฐีจะถึงอนิจจกรรมสัตว์ตัวเล็กนี้ชื่อว่านายแพทย์เหล่านั้นก็ได้เห็นถูกต้องแล้วมาความว่า สัตว์สองตัวเนี่ยมันจะกัดกินมันสมองตัวใหญ่ก็แค่ห้าวันตายตัวเล็กก็อยู่ได้เจ็ดวันต่อจากนั้นหมอชีวโกโกมารพัฒได้จัดการปิดแนวประสานกะโหลกศีษะและเย็บรอยผ่าตัดที่หนังศีษะและทายาสมานแผลทำให้ท่านเศรษฐีนอนตะแคงอยู่บนเตียง ท่านเวลาล่วงไปได้หนึ่งสัปดาห์คือเจ็ดวันท่านสถีได้พูดกับหมอชีวโกโกมารพัฒ์ว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าไม่อาจนอนตะแคงข้างเดียวตลอดเจ็ดเดือนได้ครับหมอชีวโกโกมารพัฒจึงได้กล่าวทักท้วงพูดคำที่ตกลงกันไว้ว่าดูกนท่านกระหม่ดีท่านได้ตกลงรับคากระผมไว้ว่าท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะนอนตะแคงข้างเดียวตลอดเจดเดือนได้ดังนี้ไม่ใช่หรือขอรับเศรษฐีกล่าวยอมรับความจริงว่าข้าพเจ้าตกลงรับคำกับท่านอาจารย์จริงแต่ดึงข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าก็ไม่อาจนอนตะแคงข้างเดียวตลอดเจเดือนได้ขอรับหมอชีวกได้กระทำตามขอร้องของท่านเศรษฐีแต่กล่าวกับ ท่านสถิว่าดูก่อนท่านกระหังบอดีถ้าเช่นนั้นท่านจงนอนตะแคงข้างที่สองตลอดเจดเดือนเถิดครับทั้นการเวลาที่ท่านสถินอนผ่านพ้นไปได้หนึ่งสัปดาห์ท่านสถีก็ได้พูดกับหมอชีวกโกมารพัว่าท่านอาจารย์ข้าพเจา้าไม่อาจนอนตะแคงข้างที่สองตลอดเจดเดือนได้ขอรับ หมอชีพกโกมารพัฒท่านก็ได้กล่าวทักท้วงคำพูดที่ตกลงกันไว้ว่าดูก่อนท่านเคราะห์บดีท่านได้ตกลงกับกระผมไว้ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะนอนตะแคงข้างที่สองตลอดเจเดือนได้ดังนี้ไม่ใช่หรือคอรับเศรษฐีกล่าวยอมรับว่าข้าพเจ้าตกลงรับคำกับท่านอาจารย์จริงแต่ถึงข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าก็ไม่อาจนอนตะแคงข้างที่สอง ตลอดเจเดือนได้ครับหมอชีวโกโกมารพัฒก็ได้กระทำตามคำขอร้องของท่านเศรษฐีแต่กล่าวกับท่านเศรษฐีว่าดูก่อนกระหบบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงนอนงายอย่างเดียวตลอดเจเดือนเถิดขอรับครั้นเวลาล่วงไปได้เจ็วันก็เป็นเวลาที่ท่านเศรษฐีนอนงายอย่างเดียวมาโดยตลอด ท่านเสรีก็ทนกับการนอนอย่างนั้นไม่ไหวเพราะไม่ได้เปลี่ยนอิยาบทเจวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็เลยจึงได้กล่าวกับหมอชีวโกโอมรพัศว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าไม่อาจนอนงายอย่างเดียวตลอดเจ็เดือนได้ครับหมอชีวกโกมารพัศจริงพูดให้ท่านเศรษฐีนึกถึงคำที่ตกลงกันไว้ว่าดูก่อนท่านกระหามบดี ท่านได้รับคํากับกระผมไว้ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าสามารถนอนหงายอย่างเดียวตลอดเจ็ดเดือนได้ดังนี้ไม่ใช่หรือครับเศรษฐีกล่าวยอมรับว่าข้าพเจ้าตกลงกับท่านอาจารย์ว่าจริงแต่ถึงข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าก็ไม่สามารถนอนหงายอย่างเดียวตลอดเวลาเจ็ดเดือนได้ครับหมอชีวโกโกมารพัฒกล่าวว่าดูก่อนกระหบอดี ถ้ากระผมไม่บอกท่านไว้อย่างนี้ท่านก็จะนอนไม่ได้นานเท่านี้แต่กระผมทราบอยู่ก่อนแล้วว่าท่านกระหับบอดีจะหายป่วยภายในสามสัปดาห์ mm. เพราะฉะนั้นท่านจะลุกขึ้นเถิดท่านหายป่วยแล้วแต่ท่านจะให้รางวัลอะไรแก่กระผมครับ เสถียรกล่าวว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่คุณหมอทั้งตัวข้าพเจ้าก็ขอเป็นทาสรับใช้คุณหมอด้วยขอรับนี่ก็นับว่ า, าท่านเสถียรเป็นพลที่มีสัจวาจามือนกันนะครับคือท่านพร้อมที่จะยอมกระทําตามคําที่เชิญคุณหมอมาแล้วก็บอกว่าจะให้ขวัญข้าวค่ายาอย่างไรคือทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดเนี่ย จะยกให้เลยแล้วก็ยอมตัวเป็นทาารับใช้หมอชีวกโกมารพัทแสดงว่าท่านสตีผู้นี้ก็เป็นคนมีสัจจะพูดคําใดก็ก็ทําตามคำนั้นเรียกว่าพูดอย่างไรทําอย่างนั้นไม่จะพูดอย่างหนึ่งทำอีอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนประเภทนี้ท่านก็ต้องระวังนะครับเรียกว่าคนไม่ค่อยมีสัจจะหมอชีวกโกมารพัทเมื่อได้ฟังคําบอกเล่าของท่านสตีแล้ว ก็จึงกล่าวห้ามว่าอย่าเลยท่านครหบดีท่านอย่ายกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่กระผมเลยและท่านก็ไม่ต้องมาเป็นทาสรับใช้กระผมหรอกแต่ท่านจงทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายทรัพย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งแสนกะหาปณะนะและให้แก่กระผมหนึ่ง0สนกะหาปณ ะ, ะก็พอแล้วขอรับท่านสถีเมื่อ หายป่วยดีแล้วจึงได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมน้อมถวายทรัพย์แต่พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ 10,000 แกหาปณะนะและมอบให้แก่หมอชีวโกโม 1, กมารพัฒน0 0 0ึ่กหาปณะนะตามคำแนะนําของหมอชีวโกโกมารพัฒก็เป็นอันว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเห็นหมอมายามป่วยไข้เป็นหมอเมื่อหายแล้วก็ยังเห็นคุณหมอเป็นหมออยู่นั่นบางคนก่อนเป็นไข้เห็นหมอเป็นหมอ แต่เวลาโรคหายแล้วนี่อาจจะมองกลับไปเป็นอย่างอื่นก็มีอันนั้นก็ควรจะมีสำนึกในความเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับเมื่อเราได้รับการรักษาหายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรแล้วเราก็ควรรักษานำใจของคุณหมอที่ได้เสียสละเวลาได้มีความรู้มารักษาให้แกเราเนี่ยนั่นก็เป็นพระคุณอันหนึ่งนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่ว่าหมอชีวกโกมารพั กระทำรักการรักษาพยาบาลบุตรเศรษฐีที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในลำไส้นี่ก็เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถในการที่จะทำการรักษาพยาบาลเพราะการวินิจฉัยโรคของหมอชีวกกมารพัฒนไ้ต้องยอมรับว่าท่านดูสมุฐานของโรคได้ถูกต้องนะครับ คือตัวยาทุกคนรู้จักนะหมอทุกคนรู้จักดีกว่าตัวยานี่แก่อะไรแก่อะไรแต่เหตุที่วางยาไม่ถูกนั่นเนื่องมาจากการดูสมุดฐานของโรคเนี่ยว่าสมุดฐานของโรคเป็นอะไรตัวนี้สําคัญกว่าตัวยาอีกนะครับถ้าวินิจฉัยโรคผิดนี่วางยาผิดอาจทําให้คนค่ายตายก็ได้ฉะนั้นการดูสมุดฐานของโรคนั้น เป็นต้นทางแห่งการรักษาที่ดีที่สุดถ า, ากว่าเมื่อเริ่มต้นทางผิดแล้วเนี่ยคนไข้ก็เปรียบเสมือนหนูตะเภาที่เขาสำหรับใช้ทดลองยาลองยาขนาดนี้ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนยาขนาดนี้เมื่อขนาดนี้ไม่ได้ผลเอาขนาดอื่นอีกเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนบางทีคนไข้ทานยาจนตายพิการไปก็มี ฉะนั้นเรื่องการวินิจฉัยจึงถือเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ดูโรคนั่นนะครับและก็หมอชีวโกมรพัฒนี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในการที่จะพินิจวิเคราะห์ดูว่าคนป่วยนั้นป่วยด้วยโรคอะไรคราวนี้ก็มาถึงบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีผู้เล่นกีฬาหกมินได้ป่วยเป็นโรคเนื้อ ง, งอกในลำไส้ไม่ว่าเข้าต้มเข้าสวย ที่บุตรของเศรษฐีรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ย่อยอุจจระปัสสวะถ่ายไม่สะดวกหรือถ่ายไม่ค่อยออกบุตรเศรษฐีมีอาการสูบผอมลงสูบผอมลงผิวพันธุ์เศร้าหมองสูบสีดเป็นโรคผอมเหลืองมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วตัวครั้งนั้นชาวเมืองพาราณสีมีความวานวิตกว่าบุตรของ เรามีอาการของโรคที่น่ากลัวจึงคิดว่าเราควรจะไปกรุงราชครึ้แล้วกราบบังคมทูลพระเจ้าพิมพิสารบรมมกษัตย์ขอหมอชีวโกโกมารพัฒให้มารักษาพยาบาลบุตรของเราครั้นเศรษฐีคิดอย่างนี้แล้วได้เดินทางไปกรุงราชคฤึ้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฟาละองธุลีพระบาท ปกกล้าปกกระม่มบุตรของข้าพระพุทธเจ้ารับประทานข้าวต้มและข้าวสวยแล้วไม่ย่อยอุจจระและปัสสาวะถ่ายออกไม่สะดวกมีอาการสู้ผอมลงผีพันเศ้าหมองสูบซีดเป็นโรคผอมเหลืองมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วตัวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสขอให้ใต้ฝ่าละองทลีพระบาททรงมีพระบรมราชองค์การ สั่งหมอชีวกโกรมารพัเพื่อให้ไปรักษาบุตรของข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระเจ้าพิบิษาบมรรมกษัตริย์ได้มีพระราชดำรัสสั่งหมอชีวกโกรมารพัฒว่าไปเถิดผู้หมอชีวกเธอจงไปเมืองพาราณสีแล้วช่วยรักษาบุตรของเศรษฐี ชาวเมืองพาราณสีนั้นหมอชีวโกโกมารพัฒกราบบ่งโคมทูลรับสนองพระราชบัญชาแล้วได้เดินทางไปเมืองพาราณสีและเข้าไปหาบุตรของเศรษฐีนั้นพิจรารณาอาการที่ผิดแปลกของบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีและเชิญประชาชนให้ออกไปให้พ้นบริเวณนั้นให้ขึงม่านกั้น ไล่หมัดบุตรเศรษฐีติดไว้กับเสาให้ภรรยาของบุตรเศรษฐีมาอยู่ข้างหน้าแล้วจึงทําการผ่าท้องนําเนื้องอกที่ลำไส้ออกมาให้ภรรยาของบุตรเศรษฐีดูพร้อมกับพูดว่าเธอจงดูโรคเนื้องอกของสามีเธอเพราะเลิกน้โรคเนื้องอกนี้แหละที่ทําให้สามีของเธอรับประทานเข้าต้ม เข้าสวยแล้วไม่ย่อยอุจระแะปรปัสวะถ่ายไม่ค่อยสะดวกจึงเกิดอาการสูบผอมผิวพันุ์สูบซีดเป็นโรคผอมเหลืองมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วตัวแล้วจึงตัดเนื้องอกในลำไส้ออกและสอดลำไส้กลับเข้าไปในท้องตามเดิมเย็บหนังท้องให้ดีทายารักษาแผลที่ผ่าตัดนั้น เวลาต่อมาไม่นานบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีก็หายเจ็บป่วยมีอาการดีเป็นปกติครั้งนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาคิดว่าบุตรของเราหายเจ็บป่วยพ้นจากอันตรายแล้วท่านจึงได้ให้เงิน1นะึงมืกพันกหาปณะแก่หมอชีวโกโกมารพัทฝ่ายหมอชีวโกโกมารพัทรับเงิน16พกหาปณะแล้ว จึงเดินทางกลับพระนครราชกุฎยังมีเรื่องที่หมอชีวกโกมารพัฒนได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจา้าเกี่ยวกับเรื่องเนื้อและปลาที่ไม่เป็นของต้องห้ามสำหรับพระพิสุทิ์ทั้งหลายดังมีข้อความบันทึกไว้ในบาลีคำพีมัชฌิมานิกายมัชฌิมปนาตในชีวกสูตร และในอาัจถริยะคำพีปะปัญจะสุทนีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในสวนมะม่วงของหมอชีวโกโกมารพัฒที่ตั้งอยู่ใกล้พระนครราชคฤุหมอชีวกโกมารพัฒได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงในสถานที่ที่ควรแก่ตนและเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าบุคคลทั้งหลายได้ฆ่าสัตว์ไว้เฉพาะพระสมณโคดมทั้งพระสมณโคดมก็ทรงรู้อยู่แต่ทรงฉันเนื้อที่เขาทำถวายเฉพาะเจาะจงจัดเป็นกรรมเพราะอาศัยเนื้อนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าชนทั้งหลายที่กล่าวเช่นนั้นเชื่อว่า กล่าวตามถ้อยคำของร พ, รอพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่กล่าวต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงชื่อว่าแก้ไขาตามสมควรแก่ธรรมชื่อว่าผู้กล่าวชอบธรรมไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียนหรือพระเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่าดูก่อนหมอชีวกชนเหล่าใดกล่าวว่าบุคคลทั้งหลาย ได้ฆ่าสัตว์ไว้ถวายเฉพาะพระสมณโคดมทางพระสมณโคดมก็ทรงรู้อยู่แต่ทรงฉันเนื้อที่เราถวายเฉพาะเจาะจงจัดว่าเป็นกรรมเพราะอาศัยเนื้อนั้นชนเหล่านั้นได้ชื่อว่ากล่าวตามถ้อยคำของตถาคตชื่อว่ากล่าวชื่อว่าไม่กล่าวตามคำของตถาคตแต่ชื่อว่ากล่าวตูตถาคตด้วยคำไม่จริง ตาทาคตกล่าวว่าเนื้อที่ไม่ควรบริโภคมีอยู่สมอย่างคือ 1. เนื้อที่ได้เห็นได้แก่เนื้อและปลาที่พระพิสุได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตน 2. เนื้อที่ได้ยินได้แก่เนื้อและปลาที่พระพิสุได้ยินว่าเขาฆ่าไว้เพื่อถวายแก่พระพิสุทั้งหลาย 3. เนื้อที่สงสัย ได้แก่เนื้อและปลาที่สงสัยด้วยการได้เห็นหรือได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อจะถวายแก่พระพิสุทธิ์ทั้งหลายเนื้อและปลาที่พระพิสุทิ์ได้เห็นได้ยินและสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อพระพิสุทิ์ทั้งหลายก็ไม่ควรรับไวยฉันส่วนเนื้อที่ควรบริภคนั้นมีอยู่สามอย่างคือเนื้อที่ไม่ได้เห็นเนื้อที่ไม่ได้ยิน เนื้อที่ไม่สงสัยเพราะถ้าพระพิสุมีความสงสัยแล้วยังขืนทาลงก็ต้องอบัตคือมีความผิดตามข้อห้ามนั้ น, น, นพระพิสุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อถวายพระพิสุทั้งหลาย แต่เขาฆ่าเพื่อบริโภคเองถ้าเป็นเช่นนี้เนื้อและปลานั้นเป็นของที่พระพิสุรับประเคนไว้ฉันได้ดูก่อนหมอชีวกพระพิสุทั้งหลายในพระธรรมววีในนี้อาศัยเหตุในบ้านหรือในนคมแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้แผ่เมตตาจิตคือจิตที่มีความรักและเอ็นดูหรือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้ความสุข แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและเบื้องขวางไปตลอดโลกทั้งปวงแล้วด้วยจิตใจอันมีเมตตาเป็นใจอันไปบูนเป็นใจอันใหญ่เป็นใจไม่มีประมาณเป็นใจที่ไม่มีเวรคำว่าไม่มีเวรก็คือความไม่คิดร้ายตอบผู้ ทำร้ายคือไม่มีพยาบาทการผูกใจเจ็บคิดจะแก้แค้นกระดาบบดีหรือบุตรของคารบดีเข้าไปหาพระพิสุแล้วก็นิมนต์เพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระพิสุนั้นมีความจำงก็รับนิมนต์ได้พอรุ่งเช้าขึ้นพระพิสุนั้นหนุ่มสมบงแล้วครองจีวรถือบาตรเข้าไปที่บ้านของคารบดีหรือบุตรของขะ คารบดีผู้นิมนต์คาราบดีหรือบุตรของคารบดีจึงเลี้ยงดูพระพิสุนั้นด้วยอาหารอันประนีตฝ่ายพระพิสุนั้นไม่ได้คิดว่าขอให้คาราบดีหรือบุตรของคารบอดีจงเลี้ยงดูเราด้วยอาหารอันประนีตในขณะนี้และในเวลาอื่นต่อไปโดยพระพิสุไม่ติดอยู่กับอาหารอันประณีต แต่ได้เล็งเห็นโทษอยู่เป็นนิษ์มีปัญญาคิดสละอยู่เสมอดูก่อนหมอชีวกเธอนึกว่าพระพิสุนั้นจะมีเจตนาคือความตั้งใจที่จะทำตนหรือผู้อื่นหรือทั้งตนและผู้อื่นให้ได้รับความลำบากในคราวนั้นหรือไม่หมอชีวกโกโมารพัฒกราบทูนตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคย่าพระพิสุนั้น ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนหมอชีวกพระพิสุนั้นบริภกอาหารที่ไม่มีโทษในคราวนั้นได้มิใช่หรือหมอชีวกโกมารพัฒกราบทูลตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะข้าพระองค์ฟังมาว่าพรมย่อมอยู่ในเมตตาธรรมข้าพระองค์เห็นแจ่มแจ้งแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอยู่ด้วยพระเมตตาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนหมอชีวกบุคคลมีความพยาบาทด้วยราคะความกำหนัดยินดีโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงหรือความไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นตถาคตได้ละเชีแล้วได้ตัดรากขาดไป ได้ทําให้เหมือนตาลยอดด้วนทําไม่ให้มีอยู่และทําไม่ให้เกิดอีกต่อไปแล้วดูก่อนหมอชีวกถ้าเธอกล่าวเพราะหมายถึงคํานี้ตถาคตเห็นดีกับเธอด้วยหมอชีวกโกมารพัฒน์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์กล่าวเพราะหมายถึงคํานี้พระเจ้าค่ะและแม้ในเรื่อง กรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุธทตาความพรอยยินดีในลาบยศสรเสริญสุขของผู้อื่นและอุเบขาความวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความชอบหรือความชังก็เช่นกันท่านผู้ฟังครับรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาล มาถึงเวลาสุดท้ายที่ต้องลาจากกันนะครับแต่ว่าเรื่องของหมอชีโวโกโกมารพัทนี่ก็ยังมีอยู่อีกหลายตอนนะครับเพราะว่าท่านมีผลงานและมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกหลายสถานในเรื่องการที่ท่านมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเกี่ยวกับการที่พระพิสุได้รู้ได้เห็นหรือสงสัยในเรื่องเนื้อปลาเนื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่าถวายเนี่ยว่า พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบแบบแผนไว้ดีแล้วป้องกันไม่ให้เป็นโทษกับพระพิสุคือไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้สงสัยอย่างเนี้ก็ฉันเนื้อและปลานั้นได้แต่ถ้าได้ยินได้เห็นหรือสงสยัยฉันไม่ได้เป็นอาบัติครับแล้วเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสชี้แจงให้หมอชีวกได้ฟังถึงผลบาปของการที่บุคคลเราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ๆ เช่นค่าวัวค่าควายเพื่อจะทำบุญทําทานนั้นจะได้บุญหรือไม่ได้บุญอย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดและ ก, ก็ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ